พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าบสองลำดับที่8ปดโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17เจพฤษภาคม 2,556 หมีชื่อเรื่องว่าใครครวรก่อนแล้วจึงทํแล้วันนี้เป็นวันที่ส7บเจ็ด พุทธภาคมพุทธศักราช2556เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน6พระในวัดของเราเดี๋ยวนี้55รูปตรงมาชั้น49งดชัน6แล้วก็บีนาคในวัดหนึ่งพระเขาหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ ใกล้วันวิสาขาบูชาแล้วก็ให้ดูดูให้พวกทันหน่อยไปดูดูด้วยวบ้านสวนกติถ้าจะเสร็จก็ให้เสร็ก่อนวันวิสาขาบูชาให้คนเข้าไปอยู่ได้แล้วก็ให้ช่วยกันดูที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากเจ้าพรคุณสมเด็จ พระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยได้มาแล้วก็ก็ให้เตรียมเตรียมตัววันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาจะไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเสียนพระประธานวัดบ้านสวนหนะ้าบอกกันเนะ่าบอกทางในบ้านสวนด้วยจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบน เสียญพระประธานวัดบ้านสวนให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมรวมรว ม, รวมกันแต่เราจะเอายังไงวันนั้นเราจะจัดพิธีฉันที่นูน่นเทว่าเราจะฉันที่นี่แล้วก็ไปบ่ายโมงยังไม่ได้ปรึกษากันอีกเหมือนกันนั่นละ่ะเดี๋ยวคิดกันอีก มันจะยุ่งยากไหมถ้ามันจะยุ่งยากกับฉันซะก่อนฉันจากที่นี่ไปตนะ้อค่อยไปรวมกันแล้วก็ไปบรรจุพร้อมกันที่ได้รับจากเจ้าพกุลสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันที่ท่านประธานมาแล้วก็มีผู้นำมามอบให้พวกเราก็ได้รับพระพุทธรูปของเรายังไม่พร้อมเพราะ เตวพระเพลิงยอดพระโมลนะียาวเกินไปก็จะต้องได้ตัดออกน้อยนึงเพื่อจะให้พระบัรจุพระพระบรมสารีริกธาตุได้บนพระเสียนเพืาอนันพร ะ, ะช่วยกันเนะแล้วก็ทีพักพาใสทางบ้านสวนที่จะให้ปิดสีหลังนั้นนะ่ะให้เล่งเล็งเขาหน่อยควรจะทำอะไรให้เรียบร้อย หมันจบไปแล้วให้คนเขาไปอยู่ได้ตั้งสี่หลังนะ่ะแต่เสร็จแล้วก็นั่นนะการเฉลิมฉลองบอกกล่าวเจ้าภาพมาด้วยก็ได้วันนั้นหมอบวันวิสาขาบูชาเนะนะี่ะทำอะไรทำจนะุงเยิงวุ่นวายวัดของเรามันจุงเยิงวุ่นวายพลรงแลงนะนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบแปด พฤษภาคมห้าหกคณะกลุ่มนักศึกษาที่เจ็ดสถาบันที่มาบวชเข้ามาอยู่วัดตั้งแต่วันที่สิบสองเมษาแล้วก็อุปสมบทวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาแล้วก็จะเลาศิขาวันที่สิบแปดวันพุ่งนี้นะ่ะพฤษภา เข้ามาอยู่วัดเดือนกว่าๆทั้งนาคทั้งพระเจรดาศีขาวันที่18พฤษภาห้าหกแต่ว่าการบวชในครั้งนี้คราวนี้เป็นการบวชเป็นชมลมพุทธธรรมกรรมฐานเจ็ดาบันมีธรรมศาสตร์จุฬาลามคำแหงราชพัต สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็หอการค้าไทยมหาวิทยาลัยเสียงใหม่มาหาวิทยาลัยมาหาสารคามที่ระบุชื่อมาบวชแต่ลุงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวไปแล้วว่าเรารับไว้เป็นทายาทถ้าเราไม่ปลูกฝังอุปนิสัยไว้เราจะมีทายาท ในพระพุทธศาสนาได้อย่างไรอันนี้ก็ได้บวชอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จะได้มากน้อยอยังไงแค่ไหนหลวงพ่อเองก็ไม่สามารถที่จะอย่างลึกในจิตใจของพระลูกพระหลานที่ลาสิกานเหล่านี้ได้แต่หลวงพ่อเองก็พยายามแนะแนวหรือว่าจัดเยียดหรือว่าบอกกล่าวแนวทำคำสอนของ พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวแถวทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราให้พวกลูกหลานได้ศึกษาเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมประชุมกันทุ ก, ทกวันถึงหลวงพ่อจะไม่ได้ลงมาประชุมแต่ก่อนลูกพ่อก็ให้พระพี่เลี้ยงแล้วก็เปิดเทป็บ MP3 ให้คณะ พระใหม่ได้ฟังได้ศึกษาแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่า MP3 สของหลวงพ่อที่ได้พูดก่อนหน้านี้ต่างกล้ำต่างวาระตั้งแต่ปี2548มาถึงปัจจุบันนี้เปิดฟังดูก็เป็นปัจจุบันเพราะเหตุใยเพราะว่าในสิทธิ์นักศึกษาเหล่านั้น ก็เหมือนกันทนิสิตนักศึกษาเหล่านี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าพวกเราจะเรียนรู้รู้หมดทุกอย่างแต่ยังค่อยมาปฏิบัติไม่ใช่พวกบางท่านบางคนก็รู้เรื่องทางโลกมากแต่ว่าเรื่องศีลธรรมจริยธรรมยังขาดตกบกพร่องอยู่เพราะนั้นจึงได้เอา mp 3ที่ได้พูดในครั้งก่อนก่อนนั้นมาเปิดให้ฟัง แต่บางครั้งหลวงพ่อก็ฟังด้วยก็มีประโยชน์สำหรับผู้เข้ามาศึกษาถ้าพูดถ้าพวกเราใฝ่ใฝ่ในการศึกษาทางเว้นเสียตัวพวกเราเข้ามาเพื่อทดสอบทดลองดูเฉยเฉอันนั้นก็เราไม่สามารถที่จะมองดูจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายได้แต่ถ้าก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัย การแพทย์มหิดลก็มาบวชตั้งแต่วันที่เข้ามาวันที่ส6มีนาแล้วก็บวชวันที่24มีนาแล้วก็ลาสิกขาวันที่20สเมษาเดือนกว่าเหมือนกันคราวนี้ก็มีนักศึกษาทั้งหมด9คน แล้วก็มีพวกเราสมทบก็อีกเป็นสิบสองที่บวชในวันนั้นแล้วก็ลด้ลาสิกขาไปแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่แปดิราที่บวชเข้ามาเน่เป็นรุ่นที่แปดบวชมาตั้งแต่ปีสี่แปดถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะมาแต่ว่าขาดไปปีหนึ่งในในช่วงนั้นมาถึงปีนี้ขาดไปปีหนึ่งไปบวชที่อื่นจากนั้นก็มาบวชที่นี่ ปีต่อไปนันก็กระสุดแท้แต่ผู้ที่จะเข้ามาหรือหรือไม่เข้ามาหลวงพ่อก็ไม่ได้กาหนดกฎเกณฑ์อะไรทั้งหมดพร้อมเป็นหน้าที่ของลูกของหลานสิ่งไหนที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ไปที่นั่นแหะตรงไหนที่จะให้ความรู้ความฉลาดกับเราก็ไปตรงนั้นแหละพวกไหนพวกเราทำมาค้าขายในสำมาชีพจะเจริญรุ่งเรืองที่ไหน ไปที่นั่นนะหลวงพ่อไม่ได้กีดกันถ้าจงไหนที่จะเจริญในสัมมาชีพก็ไปได้แต่ถ้าว่ายังไปไม่ได้ที่จะมกุลเวียนมาที่วัดของเราอยู่ก็เห็นบ่าวัดของเรายังที่จะอบรมได้เราก็พร้อมที่จะรับตามอัตภาพนะแต่สุขภาพของหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าจะหนุ่มไปข้างหน้าเหมือนกัน ลาาถอยไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกันเดี๋ยวนี้เห็นมาหกสิบเก้าแล้วจะเข้าเจ็ดสิบปีหน้าการพูดการอบรมจะให้เสมอต้นเสมอปลายได้อย่างไรเพราะมันแกมง่งอมไปเรื่อยๆ อ, อบรมเท่าที่จะอบรมได้นี่ก็ อีกวันพระนานก็เป็นวันวิสาขาบูชานะ่ะพี่น้องคณะสัายาติโยมลูกหลานแต่ลงพ่ออดคิดไม่ได้เมื่อวันวา น, นวันก่อนเมื่ อ, อ, อสองสามวันสีห้าวันผ่านมานะลูกหลานในถิ่นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ่ลูกชายของตู่ขาของเราเนะี่ยเป็นโยมอุปถัมภ์ประถักษดุเรียนวัดของเรา แล้วคนคนนี้ก็ลูกชายของเขาเป็นคนดีนะก็ไม่มีอะไรเป็นคนชื่อือแต่ก่อนหลวงพ่ออยู่นี่ก็เป็นคนขับรถใช้รถของเขาเขาเป็นคนสุเป็นโซเฟอร์จากนั้นก็นู่นไปแต่งวงงแต่งงานอยู่อีกหมู่บ้านนึงไปทะเลาะกันไปเขาถูกคู่เขยกันยิงในหนังสือพิมพ์เขาเอามาให้หลวงพ่อดูยิง ในที่ดินกลางนาตายอะไรเดี๋ยวนี้นั่นน่ะหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็สลดใจกับพี่น้องลูกหลานคณะสัทธายาติโยมทำไมใจร้อนถึงขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นและอีกอย่างหนึง่งพวกเราทุกๆ ท, ท่านพ่อตู้แม่ตาทั้งหลายก็ควรจะแนะนำบอกกล่าวลูกหลานของเราอีกเหมือนกันนะั่นน่ะทำอะไรจะไปส่งเสริมเขาคนทุกวันเนี่ยมัน ใ, นใจร้อน ใจโมขี่โมโหแล้วก็ขาดการยับยัง้งขาดการไข้ควรแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าหมนิสัมมะกระนังเสยโยทุกสิ่งทุกอย่างให้ไข่ควรซะก่อนก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูด เ, เพอเพ้อก่อนที่จะคิดอีกต่างหากแต่ว่ามันคิดมันออกมาแล้วนะก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดให้นิสัมมะกระนังเสยโย ให้ไข้โวนก่อนอันนี้มันขาดการไข้โวนจะตามไม่จริงดูในรูปแบบในการกระทาหลวงพ่อวักผู้กระทำนี่มีความขาดความรอบครอบแอบคล้ายๆว่าเป็นนักเลงหรือคนหาเรื่องพูดง่ายๆอันนี้ผมหลวงพ่อไม่ได้เข้าข้างนู้นเข้าข้างนี้นะอันนี้คือหลวงพ่อตั้งประเด็นขึ้นมาเพราะหลวงพ่อได้อ่านในหนังสือพิมพ์ ทำไมจึงว่าเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนที่กระทําเนี่ยคนที่ลงมือเนี่ยพอตาแบง่งนาแผงแบ่งที่ดินให้คนะละสามสิบไร่เนี่ยพอบางแบ่งให้สามสิไร่แต่แบ่งกันแล้วแต่เนี่ยก็แย่งกันไปแย่งกันมาในถิ่นแด น, นอาจจะเป็นที่โคดโค้งก็ไม่รู้ล่ะแต่กระทึงยังไงก็เอาคนที่กระทําเนี่ยคนที่ลงมือ เ, เอาไม้ไผ่ ไปปลูกไว้ในแดนไอ้ตัวนี้เรามันผิดนะลูกหลานผู้ใดก็ตามนะทาว่าใครเอาไม้ไผ่ไปปลูกในดินแดนอันนั้นคือคนนั้นผิดหลวงพ่อนนะหลวงพ่อบอกก็รู้อย่าละกอไผนะ่มันขยายไปทุกถิ่นฐานมันขยายไปทุกทางแดนมันก็แดนไงคือแด น, น, นคือเส้นคือเส้นบรรทัดด้วยเส้นเขตแดนถ้าเราไปปลูกกอไผ่เข้าไปกอไผ่มันก็ต้องออกไป ทั้งดินเขาด้วยทั้งดินเราด้วยอันนั้นคือเจตนามไม่ดีล่ะเจตนามไม่ดีถ้าคนทําอย่างนั้นถ้าขนาดปลูกไม้ธรรมดาเนี่ก็ยังไม่ดีคือปลูกไม้ธรรมดาอย่างพวกเราบ้านเรือนติดกันบางคนก็ไปติดไปปลูกไม้ใส่ดินแดนกลางแดนบางทีไม้ตัว น, นั้นมันก็ใหญ่ขึ้นมาอย่างมะม่วงก็ดีผลผลละอืผ ล, ล, ผ ล, ลไม้อื่นก็ดีมะม่วงก็ดีขนุนก็ดีอะไรก็ดีที่ปลูกในดินแดนมันก็ต้อง กิ่งก้านมันก็ต้องออกไปทั้งสองข้างถ้าพอออกไปสองข้างมันล้าไปที่ดินของเขาเ อ, อ่แล้วจะทํำยังไงไปปกคุมที่ของเขาถ้าเขาจะตัด อ, อ่าโลคพวกที่ปูดกับโมโหให้เขาแต่กิ่งมันไปล้าไปหาเขาไปดินเขาอันนั้นแปลว่าการปลูกไม่คิดเอยพ่อแม่เนี่ยไม่คิดเ อ, อ่เป็นสนวนให้ลูกหลานทะเลาะกันต่อไปภายภาคหน้า สิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายก่อนที่จะทำอะไรลงไปต้องคิดถึงยังไงถ้าหลักฝังกับฝังออปูนซีเมนต์ ม, มาฝังซะพอฝังเสร็จแล้วก็ให้ห่างจากเสา อ, ออกมาประมาณ 4-5 หเมตรต้นไม้ ใ, ใหญ่ขนาดไหนถ้ามันใหญ่เราก็ต้องปลูกห่างออกมาปลูกต้นขนุนต้นมะม่วงให้ห่างจากเขตแดนออกมา เพื่อกิ่งก้านออกไปจะได้ปกคลุมไปถึงที่ของเราก็น่าจะเพียงพอไม่ใช่จะไปอยู่ในกลางแดนผลให้สู่กันนั้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันหมาที่ผลให้สู่กันนั้นะเป็นฉนวนแห่งการฆ่ากันได้อย่างที่มันเรื่องราวเกิดขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลงพ่อเองอยากจะพูดอีกเหมือนกันอันนี้คือจริยคธรระ ถ้าพูดในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธจจเจ้าแล้วจริยธรรมคือความประพฤติในการเป็นอยู่ถ้าว่าทําอย่างนั้นไปว่ามันไม่ถูกมันผิดจริยธรรมไปปลูกไม้ไผ่เสดแดนไม้ไผ่มันจะต้องขึ้นไปออกไปล้ําไปของเขากอไผ่ล้าไปที่ไหนก็ว่าต่อไปไภายภาคหน้ากับดินของข้าก็ไปอยู่ที่นั่นเพราะกอไผ่มันไม่ใช่ไปจะ เกิดขึ้นมาลำเดียวเมื่อไหรต้นเดียวเมื่อไหรเห็นไม่กอไผ่เนี่ยมันกว้างถึงขนาดนั้นในหลวงพ่อเองในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีดินที่ดินวัดเหมือนกันเห็นไม่ลูกกลานถนนผ่านกลางทางนู้นกับที่วัดทางนี้กัที่วัดแต่หลวงพ่อบอกกับผู้ที่ทำรัว้วทำกำแพงเขาบอกว่า้าวเขาเป็เป็นที่ดินทางหลวงชนบทเขาจะต้องวัด จากแดนกลางที่เส้นกลางของถนนออกมาข้างละ15เมตรอันนี้ก็คือทางหลวงชนบทตามกฎหมายกติกาตกฎหมายบ้านเมืองเขาเราก็ต้องขยับออกมาให้ได้15เมตร เ, เพื่อมาให้ล้ําแต่ใครก็อยากจะได้เหมือนกันที่ดินติดถนนแต่มันเป็นที่ของหลวงจากเส้นกลางของถนน ออกมานะ15เมตรข้าง15เมตรเพราะนั้นวัดของหลวงพ่อทั้งสองข้างจึงห่างจากถนนไปวัดดูก็ได้แต่บางบางที่บางที่ก็รู้สึกว่าจะชิดไปหน่อยสาเหตุที่ชิดนั่นคืออะไรคือมันขึ้นไปแล้วอีกทางด้านกำแพงมันลงไม่ได้มันเป็นมันเป็นเหวมันเป็นบ่อลึกใครข่าวว่าเป็นเหวเป็นที่ชันมันตลายที่ชันบนไกลเขา ลงไปก็ลงไม่ได้ถ้าจะขุดลงไปก็เดี๋ยวแผ่นดินข้างบนจะถล่มลงไปอีกก็เลยเอาขึ้นมาข้างบนแต่ถึงยังไงต่อไปภายภาคหน้าทางว่าหลวงพ่อล้มหายตายจากไปแล้วถ้าว่าทางรัฐบาลหรือใครก็ตามเนี่ยเขาจะยึดตามกฎหมายบ้านเมืองกหลวงพ่อก็บอกควรจะลื้อกำแพงอีกเหมือนกันนั่นแหละต้องให้เขา พอเราทำคราวนั้นมันจาเป็นจะต้องได้ขยับเป็นเสียแต่ลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าเห็นว่าเออกาแพงมันก็เป็นกำแพงอยู่แล้วหละขยับไปทางอื่นซะก็ไม่เห็นจะเสียหายมากเป็นไหลหน้อยเดียวประมาณเม็ดสองเม็ดอันนั้นก็สุดแท้แต่คนทางหน้าจะตกลงกันแต่ลูกพ่อเนี่ยพูดให้ฟังให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาว่าที่ดินของลุงพ่อเนี่ยจำเป็นในจุดนั้น ให้ไปดูแล้วก็ได้มันเป็นเหวลึกก็เลยขยับขึ้นมาข้างบนแต่มันก็ล้าเส้นถนนเขาน่อยหนึง่งไาถนนลถนนเขาน้อยนึง่งก็ไม่ถึงจะเสียหายาทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยลพูดง่ายงแต่ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าบ้านเมืองเจริญขยายถนนอันนั้นคงจะขัดข้องบ้างแต่ถึงยังไงก็ ให้ลูกหลานทั้งหลายได้รับรู้รับทราบไว้เนี่ยหลวงพ่อได้คิดไกลไว้อย่างขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นลูกหลานก็เหมือนกันลูกหลานของหลวงพ่อจต่าญาติโยมหลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราคิดจะทําอะไรต้องคิดไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนนิซัมมะกรนังเสยโยไข้กวนก่อนค่อยทําทุกสิ่งทุกอย่างอ่านไปในอนาคต ด, ด้วยแล้วก็ปีก่อนอีก กันเนเรื่องสวนยางอีกเหมือนกันฆ่ากาันตายอีกหลวงพ่อโอ้ลูกหลานทาไมใจร้อนถึงขนาดนั้นไม่น่าจะทำอย่างนั้นถ้าการกระทำอย่างนั้นพอทำลงไปแล้วเนี่ยมันไปติดคุกติดตารางไม่ใช่ของสนุกนีขายหน้าตัวเองอีกต่างหากคอตกอีกต่างหากไปอยู่ใช้ทุกในคุกอีกต่างหากหมดอนาคตทั้งชีวิตทั้งชีวิต เพราะเหตุไยเพราะขาดการยับยั้งในช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็พี่น้องลูกหลานของเขาและผู้ที่ถูกฆ่าตายพ่อแม่ก็เสียใจ ล, ลูกเมียของเขาก็เสียใจญาติพี่น้องเพื่อนผูมของเขาก็เสียใจบางคนบางแห่งอาจจะผูกพยาบาทอาฆาตอีกต่างหากพาะว่ามองออกมาหรือออกมาก็จะเก็บเมืองอีกไนั่นแหละคล้ายๆแบบ บอกอาคาดนะแต่นี้ยังดีเน๊ตู่ขาเนี่ยอพอตู่เป็นคนวัดคนวามาวัดของเราเป็นประจำตู่ขาบอกว่าผมก็ให้บอกให้เขามอบตัวซะอ ย, อย่าไปอยู่ในปา่าแต่ออกไปตํารวจไปล็ลอ้อมรอบเอาปืนยิงกันอีกเดี๋ยวก็จะตายอีกจะทําไงผูตายก็ตายไปแล้วแต่ถึงยังไงก็เสียใจก็เสียใจนะ่นะผูเฒ่าวะฮะเนี่ยยังมีน้ําใจอยู่เน้ ยันกลัวเขาสู้กันกลัวเขาตายอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะลูกตัวเองตายก็ทุกข์พรแรงแล้วเนี่แล้วคนที่จะถูกตายไม่ใช่ว่าคนนั้นตายตํารวจอีกผู้ที่เข้าไปล้อมรอบ อ, อสอบนี่ยอีกไม่รู้ใครจะจิงใครไงเพราะเขาก็มีปืนอย่างเหมือนกันคนนั้นเนี่ยให้มามามอบตัวจะให้พี่น้องเขาไปบอกซะแอมเขาเลยมายอมมอบตัวเนี่ยอันนี้หลวงพ่อก็เห็นว่าเือตู้ขาเป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรมในจิตในใจมีเมตตาไม่เห็นว่าเอามันเลยจัดการมันเลยเพรามันฆ่าลูกเราลูกตู้ขาก็ไม่ได้ว่ายอย่างนั้นนะหลวงพ่อเออมีน้ำใจมีเมตตานี่นี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายคณะสัทยาติโยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่ที่จะลาศิขาวันพุงนี้นะให้ฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังคือจะเน้นหนักไปทาง ลูกหลานนักศึกษาที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าให้คิดจะทําอะไรให้คิดแล้วก็บอกหลวงพ่อเองก็บอกกล่าวว่าลูกหลานทุกคนนะก่อนที่จะคิดได้อย่างนั้นอันดับแรกเรียกว่าศีลธรรมข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปะมาถ้าว่าลูกหลานดื่มสุราเข้าไปแล้วนี่หลวงพ่อขีดเส้นแดงไปเลยว่า ขาดการยับยั้งแน่ๆเพราะเหตุไยเพราะว่าคนเมาเมื่อเมาแล้วก็ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเพราะนั้นลูกหลานทุกคนนะผ่านวัดป่า น, นาคาน้อยไปแล้วลูกหลานผ่านบวชวัดผ่านวัดป่า น, นาคาน้อยไปแล้วถ้าว่าจะเป็นลูกศิษย์ของวัดป่านาคาน้อยให้ลูกหลานงดสุ่ลา ถ้าจะดื่มยกแก้วโซลาขึ้นมาให้ระ ล, ลึกถึงหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินสั่งนักสั่งหนาอ่อันนี้คือความหายนะคือความจิตหายอ่เราจะดื่มงดให้ลูกหลานคิดในใจไว้อย่างนั้นนั่นแหะคือลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะเอ่อถ้าว่ากินเหล้าเมายาตาปื้ทั้งวันทั้งคืนนะไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อนะไม่ต้องเรียกว่าหลวงพ่อเป็นเอ่อเป็นอาจารย์ฮอาจารย์เนี่ยเราเห็นไหมหลวงพอนะ่อเนี่ย เป็นพระยังไง ล, ลูกหลานได้เห็นพี่จะบอกกล่าวคําไหนก็อยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรม ม, รร ม, มีจริยธรรมที่ดีให้เป็นพ ล, ลเมืองที่ดีไปอยู่นสถานที่ใดอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราได้รับการศึกษาดีแล้วอันไหนควรมิควรอย่างไรพวกเรารู้ต้องยับยั้ง ในแนวความคิดที่มันไม่ถูกต้องนิสัมมะกระนังเสยโยนไข้ควรเะก่อนจงค่อยทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพวกเรามีความไข่ควรในการทำํำในการพูดในการคิดแล้วนั่นแหละความสงบผาสุกก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายตลอดไปจนอาวส า, านนะอันนี้ก็เป็นคําสั่งหรือเป็นคําพูดให้สําหรับนักศึกษา ลูกศิษลูกหาพระใหม่ที่จะลาศิกขาวันพรุ่งนี้นะนําไปประพฤติปฏิบัตินะพระลูกพระหลานนะอยากน้อยกให้มีศีลห้าเนี่ยนะวันไหนว่างๆไหว้วพระสวดมนต์เสร็จแล้วก่อนนะถึงจะเป็นครวญญาติโยมก็ให้มีศีลห้าไว้ดีวันไหนว่างๆศีลห้าไม่ใช่จะรักษาแต่เฉพาะวันพระนะวันไหนก็ได้ สามร้อยหกวันวันไหนว่างเราก็สมาทานศีลเออวันให้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเกิดของเราหรือวันเกิดผู้ที่เรารักเคารพนับถือวันเกิดพ่อแม่บั่งวันเกิดครูบาอาจารย์บ้างเนี่ยเราจะรักษาศีลห้าเนี่ยแหละให้สมาทานศีลจากนั้นก็ให้ภาวนาภาวนาบ้าง กเหตุไรอันนี้คือเราหาสมบัติเข้าสู่จิตใจเาเราหาคุณธรรมเข้าสู่จิตใจแต่วิถีชีวิตของพวกเราทำหน้าที่การงานหาเงินคาทรัพย์สมบัติอันนั้นการโสสวัสหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงร่างกายแต่ร่างกายกับใจมันคนละอย่างกันนะหลุกหลานนะแยกให้ออกเียพวกเรามาศึกษาเดือนกว่าๆเนี่ยฟังทุกวี่ทุกวัน คงจะแยกได้ถ้าผู้เข้ามาศึกษาใฝ่ในการศึกษาร่างกายเนี่ยตั้งเราตั้งแต่เราเกิดมาการโฉบแสวงหาทรัพย์ไม่ได้ไม่ต้องพูดว่าร้อยล้านหอดแสนล้านก็เถอะเงินมาแล้วอย่าเรียงร่างกายอาหารทุกคําที่เราจะกินเข้าไปในเราจะทานเข้าไปในให้ร่างกายของเราเ เอเอาแพทย์มาตรวจแล้วตรวจอีกโภชนาการตรวจแต่ละคำละคำละคำให้กินประมาณละเท่าไหร่เออเลี้ยงร่างกายแล้วก็หาเสื้อผ้าดีๆซื้อมาจากประเทศไหนต่างประเทศตัวละแสนละล้านก็นซื้อมาละมาให้ร่างกายใส่แล้วก็ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยประเทศไหนที่ผลิตยาอะไรขึ้นมาเออมาให้กินถูก จังหวะถูกไวล่อเวลาถูกนาทีเพื่อรักษาสุขภาพถึงจะสร้างบ้านรูราโออาราคาเป็นกี่ล้านก็ถเถอะสวยงามที่สุดติดอะไรต่อติดอะไรเข้าไปให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในบ้านเรือนของเราร่างกายที่เข้าไปอยู่ไม่มีหนกลูกหลานร่างกายเนื้อจมูมไปข้างหน้าอยู่นานไปนานไปแล้วก็เห็นผมงอกขึ้นมา แล้วก็เห็นฟันหลุดออกมาแล้วก็เห็นตาฟ้าวฟางแล้วก็เห็นหูตึงแล้วก็เห็นหนังคอมอผลในสุดถ้าไม่ตายง่ายก็นอนอยู่กับเตียงเลยใช่ไช่วยตนเองไม่ได้ผลในสุดก็ไม่มีใครที่จะหลอดพ้นความตายไปได้นี่นะเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงตีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันมีจุดจบของร่างกาย เ, เพราะนั้นให้เลี้ยงคุณธรรม เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจนั้นเลิศประเสริฐกว่าอย่างพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเอาธรรมเข้าสู่จิตใจได้ตัดรูปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็แนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระโมกขาราสาลิบุตรกส ป, ปะอานนนที่ได้สําเร็จนั่นแหละเมื่อท่านได้สาเร็จใจของท่านได้สาเร็จไม่ใช่กายนะกายเป็นผลพลอยได้ท่านเอง ใจของท่านได้สาเร็จเมื่อใจสําเร็จแล้วถึงกายของท่านก็เป็นพระหรหันต์ไปด้วยที่อยู่พักผาอาศัยก็เป็นพระหรหันต์ด้วยสารากุติของท่านก็เป็นกุติของพระหรหันต์ด้วยวัดวาศาสนาที่อยู่ของท่านในจุดนั่นก็เป็นที่อยู่ของพระราหันต์ด้วยอย่างลงตาะมหาบัวเนี่ยต่อกรอทังท่านก็เป็นชื่อบัวธรรมดาใช่ไหมต่อมาท่านได้ไปภาวนาจนได้สําเร็จที่ท่านประกาศได้สาเร็จ ที่วัดดอยธรรมเจดีเมื่อใดสําเร็จแล้วท่านมาอยู่วัดป่าบ้านตาวัดป่าบ้านตาคือวัดพระอรหันต์วัดหลวงตาอยู่กุฏิหลังไหนกุฏิหลวงตากุฏิหลังนก็เป็นกุฏิของพระอรหันต์ไปด้วยเพราะอะไรเพราะใจของท่านได้สาเร็จเพราะฉะนั้นใจสําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาฝึกฝนเขาเนี่ยก็ฝึกฝนเรื่องของจิตของใจนะคณะลูกหลานทุกๆคนนะ อ่ะตอนนี้ไปรับพอรอนโมธนาให้พร